วารานี้จะได้แก้ไขในองค์มรรคเป็นคารบห้าคือสัมมาวายาโมสืบต่อไปกิริยาว่าสัมมาวายานนั้นย่อมกระทากิจสี่ประการคือสัมมาวายาโมอันมิให้อากุศลธรรมที่ยังมิได้บังเกิดนั้นมีให้เกิดขึ้นได้หนึ่งคือสัมมาวายาโม อันจะลาเสียซึ่งอากุศลธรรมที่บังเกิดแล้วนั้นหนึ่งคือสัมมาวายาโมอันจะยังกุศลธรรมที่ยังมิได้เคยเกิดนั้นให้เกิดขึ้นหนึ่งคือสัมมาวายาโมอันจะให้เจริญกุศลธรรมอันบังเกิดแล้วนั้นหนึ่งเป็นสี่ประการดังนี้สัมมาวายาโม อันมิให้เกิดอากุศลธรรมอันยังมิได้บังเกิดนั้นก็มีดุดโมราชาดกอันมีในปกินนกะนิบาทว่าพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นนกยุงทองมีกายใหญ่เท่าเรือนเกวียนมีตาทั้งสองข้างนั้นแดงงามดุดมเมล็ดมะกลามีจะงอยปากดุดแก้วประพานและมีแววแดงเวียนรอบตัวแล้วก็สร้างเป็นในกลางหลังมีรูปงามยิ่งนัก นกยูงทั้งปวงก็ตั้งให้เป็นพระยาแห่งนกทั้งหลายในการวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ลงไปกินน้ำในท้องทานแลงเห็นรูปของตนงามแล้วก็ปริวิตกว่าอาตมาจะอยู่ด้วยนกทั้งหลายในทางมนุษย์นี้ภัยจะบังเกิดแก่อาตมาอาตมาจะไปอยู่ในป่าหิมพานต์แต่ผู้เดียวให้เป็นสุขเถิด ในการเมื่อราตรีคำ่ำนกยุงทั้งหลายหลับสิ้นแล้วพระโพธิสัตว์ก็มิให้นกยุงตัวใดตัวหนึ่งรู้บินไปสู่ป่าหิมพานต์ข้ามพน้นภูเขาสามชั้นเข้าไปถึงภูเขาเป็นคำรวบสี่เห็นสะใหญ่ดาดไปด้วยไม้ทั้งหลายในป่านั้นมีไม้ใสต้นหนึ่งใหญ่ในภูเขาพระโพธิสัตว์ปรารถนาจะอยู่ในสถานที่นั้น จึงจับลงในตีนภูเขาแทบปากถ้ำนั้นสัตว์ทั้งหลายมิอาจขึ้นบนภูเขานั้นได้เหตุว่าภูเขานั้นสูงและชันหาที่จะขึ้นจะลงมิได้และพ้นจากภัยศัตรูหมูทีฆ า, าติและมนุษย์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์รู้ว่าสบายแล้วก็อยู่ในสถานที่นั้นครันรุ่งเช้าพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมา พระโพธิสัตว์ก็บ่ายหน้าต่อบูรพธทิตและเห็นปริมนทนพระอาทิตนั้นประนมปีกทั้งสองข้างเข้าไว้แล้วก็เจริญพระปริตว่าอุเทตยันจากคูมาเอก ร, ราชาหาริสวรโนเป็นอาธิษดันนี้เพื่อจะรักษาอัตมาในเพลากลางวันจึงบินไปสู่ที่สแสวงหาอาหาร รันเพลาเย็นพระโพธิสัตว์ก็บินมาจับเนื้อยอดภูเขาและดูปริมณฑลพระจันทร์แล้วก็กล่าวพระคถาว่าอปเปตายันจักคูมาเอกราชาอาริสวรรณโนเป็นอาทิตย์ดังนี้แล้วก็อยู่ในกลางคืนนั้นตกว่าพระโพธิสัตว์อุตสาเพียนพยายามดังนี้เป็นนิจการทุกวัน ก็ยังอกุศลธรรมทั้งปวงมิให้บังเกิดขึ้นในสันดานสิ้นการช้านานประมาณ700รอปีอย่างนี้ก็จัดได้ชื่อว่าสัมมาวายโาม О เป็นโลกิยามักบังเกิดด้วยการมาวจรกุศลจิตนั้นสัมมาวายโม О อันละเอียดซึ่งอกุศลธรรมอันบังเกิดแล้านั้น ก็มีดุดในปัญจาอุโบสถชาดกในปกินนากานิบาทว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหม์มีสมบัติมากก็ละสมบัติออกทรงบรรพชาเป็นดาบทั้งอาสมอยู่ในสถานที่ควรจะชื่นชมยินดีอันมีในระหว่างเมืองทั้งสามมีเมืองมาคธราชเป็นอาธิยังมีนกพิราบตัวหนึ่งกับภริยาอยู่ในกอมไม้ไผ่ ใกล้อาศมแห่งพระดาบทนั้นงูเหลือมตัวหนึ่งอยู่ในจอมปลวกใกล้อาสมและสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็อยู่ในสมทุมใกล้าอาสมแห่งพระดาบทนั้นหมีตัวหนึ่งก็อยู่ในพุ่มไม้ใกล้อาสมแห่งพระดาบทนั้นในการวันหนึ่งนกพริราบไปเที่ยวหาอาหารกับภริยามีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาฉาบเอาภริยานั้นไปกินนกพริราบนั้น ปราศจากภริยาราคาหากเบียดเบียนให้ลำบากจึงเข้าไปสู่อสมบทสมทานอาอุโบสถศีลในสำนักพระดาบทเพื่อจะข่มเสียซึ่งราคานั้นว่าราคาแห่งเรานี้ยังไม่ได้ระ ง, งับตราบใดอาตมาก็ไม่ได้ไปหาอาหารตราบนั้นนกพริราบก็อดอาหารอยู่รักษาอุโบสถกรรมในสถานที่นั้น ฝ่ายงูนั้นก็ออกมาคิดว่าจะไปหาอาหารและยังมีอุสุภ ร, ราชตัวหนึ่งขาวล้วนทั้งตัวเป็นวัวมงคลแห่งนายโคบานโคอุสุภ ร, ราชนั้นไปเที่ยวสแสวงหาอาหารแทบจอมปลวกที่งูอยู่ก็เหยียบลงที่คองูงูก็ขบเอาโคอุสุภ ร, ราชนั้นตายและนายโคบานทั้งหลายเที่ยวหามาพบซากโคเข้าแล้ว ก็ร้องไห้รักโคอุสุภราชตัวนั้นกระทําสักการะบูชาแล้วก็ขุดหลุมฝังโคอุสุภราชนั้นไว้ในที่นั้นงูนั้นครั้นมาเห็นก็ดําริว่าอาตมาลุอํานาจแก่โทโสกระทําให้โคอุสุภราชของชนทั้งหลายตายชนทั้งหลายเป็นทุกข์เศร้าโศกพระอาตมาควรอาตมาจะอดโทโซนั้นเสีย งูนั้นจึงเข้าไปสู่ที่อสรมบทแล้วสมาทานซึ่งอุโบสถศีลในสำนักพระดาบทด้วยคิดว่าโทโซนี้ยังมีระ ง, งับตราบใดอาตมาก็ไม่ได้ไปหาอาหารตราบนั้นถ้าโทโสนี้ระ ง, งับเมื่อใดอาตมาจึงจะไปหาอาหารเมื่อนั้นงูนั้นก็รักษาอุโบสถกรรมแล้วก็นอนอยู่ในสถานที่ควร ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกนั้นก็ไปเที่ยวสแสวงหาอาหารพบช้างตายอยู่ตัวหนึ่งสุนัขจิ้งจอกกัดทวารแห่งช้างนั้นแล้วก็เข้าไปกินพุงนาภายในแล้วก็นอนอยู่ในท้องช้างนั้นจึงรำพึงว่าอาหารและที่นอนก็มีในท้องช้างนี้แล้วก็จะประโยชน์อันใดด้วยจะไปหาอาหารในที่อื่นเล่าสุนัขจิ้งจอกนั้น ก็ยินดีมีได้ออกจากภายในนอนอยู่ในท้องช้างนั้นในอภประภาคเบื้องหน้าซากช้างนั้นต้องลมและแดดก็แห้งเข้าทวารแห่งช้างนั้นก็ปิดเข้าสุนักจิ้งจอกก็นอนอยู่ในท้องช้างนั้นมีสรีระอันสูพ้ผพอมไม่เล็งเห็นที่จะออกมาได้อยู่มาการวันหนึ่งหาฝนอากาศแลเมฆตกหนัก ทวารช้างนั้นชุ่มด้วยน้าฝนเผยออกหน่อยหนึ่งสุนัขนั้นก็ลอดออกมาโดยช่องทวารอันแคบนั้นสุนักนั้นมีขนนั้นลุยหลุดออกสิ้นทั้งตัวออกมาได้แล้วก็รำพึงว่าอาตมาได้ทุกทั้งนี้เหตุด้วยโลโพอาตมายังไม่ได้ข่มโลโพเสียตราบใดอาตมาก็ไม่ได้ไปหาอาหารตราบนั้น สุนักจิ้งจอกนั้นไปสู่อาสมแล้วก็สมาทาดอุโบสถศีลในสำนักพระดาบทนั้นแล้วก็นอนอยู่ในสถานอันควรฝ่ายหมีนั้นก็มีความปรารถนาอาหารครอบงำยิ่งนักออกจากพุ่มไม้เข้าไปหาอาหารในป่าชนทั้งหลายไล่เห็นแล้วก็ถือธนูและท่อนไม้ไล่ตีหมีนั้นจนศีรษะแตก มีเลือดอันไหลออกแล่นหนีไปจึงรำพึงว่าอาตมาต้องเวทนาทั้งนี้เหตุด้วยโมโหคือโมหะความหลงด้วยอันจะเข้าไปหาอาหารในป่านั้นอาตมายังไม่ได้อดเสียซึ่งโมโหได้ตราบใดอาตมาก็ไม่ได้หาอาหารตราบนั้นคิดแล้วก็ไปสู่อาสมบทสมท า, านอุโบสถศีลในสำนักพระดาบทนั้นแล้ว ก็นอนอยู่ในสถานที่ควรแห่งหนึ่งป่ายพระดาบทนั้นมานะด้วยชาติว่าอาตมานี้เป็นพรามณชาติประเสริฐกว่าชนทั้งหลายรันมีมานะด้วยชาติชนี้ก็มีอาจอยังฌานสมาบัติให้เกิดได้ยังมีพระปัจเจกขพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งรู้ว่าดาบทผู้นี้ เป็นนอพุทธทงังกูลจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าควรเราจะกระทำพระดาบทนั้นให้สละมานาเสียในการบัดนี้เถิดพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าจึงมานั่งอยู่เหนือพื้นศิลาอันเป็นที่นั่งแห่งพระดาบทนั้นพระดาบทออกมาได้ทัศนาการเห็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าก็มิได้ถวายนามสการ พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าจึงกล่าววาจา ว, ว่าดูก่อนมหาบุรุษอัตมาภาพนี้ได้ตรัสเป็นพระปัจเจกโพธิยานและท่านไซจะได้ตรัสแก่สันเพชรยุดายานเป็นพระพุทธเจ้าในแผ่นดินนี้ดังือจึงมาลุกอำนาจแก่มานะดังนี้ไม่สมควรแก่ท่านเมื่อพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าให้โอวาทความสั่งสอนชะนี้ พระดาบทก็มีได้ไหว้มีได้นมาส ก, การพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้านั้นอันหนึง่งก็ไม่ได้ไต่ถามว่าข้าจะได้ตรัสเป็นพระในการเมื่อใดเพราะเหตุด้วยมานะนั้นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าจึงมีวาจา ว, ว่าดูก่อนดาบทท่านจงรู้ซึ่งสภาวะคุณแห่งอัตมาภาพนี้ว่าประเสริฐกว่าชาติแห่งท่านเถิด ผีว่าท่านอาศัยชาติว่าประเสริฐดีท่านจงเหินเหาะขึ้นไปเที่ยวในอากาศดุดอัตมภาพชนนี้เถิดพระประเจกพุทธเจ้าจึงเหาะขึ้นสู่อากาศดุดเรียรายซึ่งทุลีในบาทานั้นลงเหนือชดาปริมณฑนแห่งดาบทนั้นก็ไปสู่ป่าพระหิมพานเมื่อพระประเจกพุทธเจ้าไปแล้วฝ่ายดาบทนั้น ก็บังเกิดธรรมสังเวทว่าพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าองค์นี้มีศีลประเสริฐนักท่านจึงปลิวไปในอากาศดุจสำลีอันลมพัดฝ่ายอัตมานี้มีมานะด้วยชาติจึงมิได้ไหว้พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าชาตินี้จะเป็นประโยชน์ดังรือศีล น, นี้ประเสริฐดีในโลกนี้เที่ยงแท้ฝ่ายมานะรันเจริญขึ้น ก็จะพาอาตมานี้ไปส่นรกเที่ยงแท้อาตมายังมิได้ข่มมานะเสียได้ตราบใดอาตมาก็จะมิได้ไปหาผลไม้ตราบนั้นพระดาบทก็เข้าไปในบรรณศาลาสมาทานอุโบสถศีลเพื่อจะข่มเสียซึ่งมานะนั่งอยู่ในบรรณศาลาอุตสาข่มเสียซึ่งมานะนั้นด้วยเพียรพยายามแล้วก็ตั้งกระสินภาวนา ให้บังเกิดอภิญญาสมาบัติแล้วก็ออกมานั่งเหนือแผ่นศิลาในที่สุดที่จงกลมนั้นนกพริราบก็ตั้งเพียนพยายามเพื่อจะคมราคะนั้นเสียงูเหลืองกระทำเพียนพยายามเพื่อจะคมโทโสเสียนั้นก็ดีสุนักเจีิยงจอกกระทำเพียนพยายามเพื่อจะคมโลโพเสียนั้นก็ดีมีกระทำเพียนพยายาม เพื่อจะข่มโมโหเสียนั้นก็ดีพระดาบทตรกระทำเพียรพยายามเพื่อจะข่มมานะเสียนั้นก็ดีความเพียรพยายามทั้งสี่นี้ก็ได้ชื่อว่าสัมมาวายามโมเป็นโลกิยามักบังเกิดด้วยกามาวจรกุศลจิตนั้นสัมมาวายามโม อันจะให้บังเกิดกุศลธรรมอันยังมิได้บังเกิดนั้นก็มีดุดนิทานในพระธรรมบทว่ายังมีพรามผู้หนึ่งแหลงเห็นพระภิขูทั้งหลายเข้าไปบินทบาทและยินคลุมผ้าจีวร อ, อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งชายจีวอนแห่งพิขุนั้นต้องน้าค้างในใบหญ้าชายจีวร น, นั้นชุ่มไปด้วยน้าพรามผู้นั้น ก็บังเกิดกามาพระจอกุศ ล, ลจิตคิดว่าอาตมาจะถากหญ้าในสถานที่นี้เสียให้พิขูทั้งหลายคลุมผ้าจีวรในที่นี้เถิดพราหม์ผู้นั้นจึงถากหญ้านั้นเสียในการวันหนึ่งเล่าพราหมณ์ผู้นั้นลายเห็นชายจีวรแห่งพิกขูทั้งหลายนั้นต้องฝุ่นในที่ถากหญ้านั้นจึงเอาทรายมาเรียรายลงไว้ให้พิกขูทั้งหลาย คลุมผ้าจีวรในที่นั้นในการวันหนึ่งเล่าพราหมณ์ผู้นั้นไล่เห็นพิกขูทั้งหลายอันยืนคลุมผ้าจีวรในที่นั้นและต้องรัศมีพระอาทิตย์มีสรีระประกอบด้วยเหงือ่อพราหมณ์ผู้นั้นจึงกระทําเพดานให้ร่มแดดในการวันหนึ่งเล่าพราหมณ์ผู้นั้นไล่เห็นพิกขูทั้งหลายคลุมผ้าจีวรอยู่ในเพดานนั้น ฝนตกผ้าจีวร น, นั้นชุ่มด้วยน้ำฝนจึงกระทาศาลาให้ร่มแดดและฝนเป็นอันมั่นคงให้พิกูทั้งหลายอาศัยคลุมผ้าจีวรสบายในศาลานั้นครั้นเมื่อจะฉลองศาลาจึงนิมนต์สมเด็จพระสัสดากับพิกุสงให้กระทาพัตกิจในศาลานั้นแล้วก็กราบทูลเหตุทั้งปวงให้ทรงทราบ สมเด็จพระพุทธองค์จึงโปรดประธานพระสัตว ธ, ธรรมเทศนาว่าดูก่อนพรามช่างทองทั้งปวงอันจะเลียงทองหล่อและตีแต่ทีเดียวก็มีอาจเพื่อจะนำมวทินแห่งทองนั้นเสียและกระทําเป็นเครื่องประดับได้ช่างทองนั้นต้องหล่อเนืองเนืองตีเนืองเนืองนำมวทินนั้นเสียให้สิ้นแล้ว จึงทำเป็นเครื่องประดับอันมีประการเป็นอันมากนั้นได้และมีอุปมาชั้นใดบุคคลผู้มีปัญญาก็ชำระมวลทินมีอาธิคือโลภะมัชริยะอันบังเกิดในจิตแต่คราวละน้อยละน้อยในโอกาสนั้นๆโดยลำดับลำดับปราศจากมวลทินทั้งปวงแล้วจึงกระทำกุศลทั้งปวงเนืองเนือง ก็มีอุปมาดุจช่างทองอันเลียงทองให้ประาศจากมวลินและกระทําเครื่องประดับได้เป็นอันมากนั้นพราหมณ์ผู้นั้นได้ฟังธรรมเทศนาก็ลุถึงพระโสดาปติผลเป็นอริยบุคคลในพระศาสนาพราหมณ์กระทําเพียรพยายามในการกุศลธรรมทั้งปวงนั้นได้ชื่อว่าสัมมาวายาโมเป็นโลกียามัก บังเกิดด้วยการมาพลละจรกุศลจิตนั้นเมื่อพรามนั้นถึงโสดาแล้วสัมมาวายาโม О, อันเป็นโลกุดรหรือโลกุตระก็บังเกิดด้วยโสดาปฏิมัคคจิตและสัมมาวายาโม О, อันยังกุศลธรรมที่บังเกิดแล้วให้ตั้งอยู่และให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็มีดุดนิทานอุบาสก500ชวนกันรักษาศีลห้าประการแล้วละปรารถนาให้ศีลนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงสมทานศีล8ประการแล้วก็สมทานศีลสิประการแล้วบรรพชาเป็นสมมเนยในพระศาสนาปฏิบัติอภิสมาจาริกวัรแล้วจึงอุปสมบทเป็นพิขุงทรงพระจตุปาริสุทธศิน และความเพียรพยายามดังนี้ได้ชื่อว่าสัมมาวายาโมเป็นโลกยามักบังเกิดด้วยการมาวาจรกุศลจิตนั้นแกในบทสัมมาวายาโมเป็นโลกยามักด้วยชาดกและนิทานจบแต่เท่านี้